การปฏิบัติสมาธิภาวนาและจะได้ตั้งสมาธิสูกูกันไปด้วยความจริงเรื่องการในละ ย, ยธรรมะในฟังธรรมะนี่เราฟังกันมาตั้งเยอะเยอะแยะแล้วฟังทีไรมันก็เรื่องกายกับใจเพราะกายกัดใจนี่เป็นธรรมะ เป็นธรรมะภายในตัวของเราและเป็นที่เกิดของธรรมะอันเป็นสถานการณ์และสิ่งแวดลอ้อมซึ่งเราจะได้เระสบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อไดเราสกับธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นแล้ว อาศัยอำนาจของกิเลสอดสมิมาณนะการถือตนถือตัวถือว่าเราว่าเขาถือว่าของเราของเขาก็เกิดอาหังการมัมมังการขึ้นมาเป็นเหตุให้เกิดขัดแย้งและทะเลาะวิวาสซึ่งกันและกันขัดผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอันนั้นเป็นไปตามวิสัย สามัญช น, นซึ่งเป็นไปตามกระแสะโลกแห่งไปเป็นไปตามกระแสะแห่งโลกกระทำกฎวามจริงของสังคมอยู่ที่ความมีลาศเสื่อมลาศมียศเสื่อมยศสันเสรินนินทาทุกอันนี้เป็น กฎของสังคมที่เป็นอยู่ในโลกนี้คนเราต้องการความมีลาภต้องการความมียศต้องการสันเริญ<ม>ต้องการความสุขอันนี้เป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์แต่เกลียดความเส่อมลาภเ่อมยศนินทาทุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบสันเริญ ในเกลียดนินทาทางทางที่เราก็เกลียดเต็มประดานั่นแหละแต่ก็อดนินทาคนอื่นเขาไม่ได้เจึงกลายเป็นผู้ไม่มีความเที่ยงทรามติดใจไม่เป็นกลางยังวันไว้ต่อโลกกระทาเมื่อปายนี้มาบรรจบเขา้า ดีอกดีใจจนล้นเหลือถึงกับร้องไห้ร้องห่มส่วนใดที่ไม่พอใจมาไปโศบเขา้าเสียใจจนร้องไห้ร้องห่มเหมือนกันดังที่คำโบราณท่านว่าคนเรานี่ดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้เพราะใจมันยังไม่เป็นกลาง อันนี้เป็นกฎธรรมชาติของสังคมของโลกกฎธรรมชาติของสภาวธรรมกายกับใจสถานการณ์หละสิ่งแวดล้อมอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นผู้เป็นกฎธรรมชาติของสภาวธรรมในเมื่อใครไปยึดสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปยึดครอง โดยไปแย่นกรรมสิทธิ์หรือไปขัดฝางแนวทางที่เขาจะเป็นไปโดยกฎของธรรมชาติเมื่อขัดฝางไม่อยู่ข้ามไม่อยู่เกิดฟวากระทบกระเทือนใจบางทีห้ามได้ก็ดีใจบางทีห้ามไม่ได้ก็กระทบกระเทือนใจ ในเมื่อเกิดความกระทบกระเทือนใจอะไรมันเกิดขึ้นดีมันก็กระเทือนเสียมันก็กระเทือนส่วนดีเพื่อกระทบเข้าแล้วทำให้ใจมันปูขึ้นสูงขึ้นจนลืมตัวถ้างงตัวถ้าเยอถ้ายานซึ่งท่านเรียกว่าตันหาความพอใจใกล้ในสิ่งที่เราชอบใจเป็นกามมาตัญหา พอยดก็เป็นภวะตันหาความไม่พอใจในสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นวิภาวะตันหาเมื่อประสบแล้วทำให้จิตใจห่อเหี่ยวพอแท้เหนื่อยหน่ายถึงขนาดเบื่อชีวิตไปกินยาตายก็มีสมสีไปในสิ่งเหล่านี้เพราะเหตุว่า เราไปขัดฝางสิ่งที่เราขัดไม่ได้ในเมื่อขัดไม่ได้พลังของเราไม่เทียงพอเราก็ต้องหงายหลังหรือมิฉะนั้นก็ต้องถูกสิ่งเหล่านั้นมันกระแทกจนแหลกละเอียดยับเจินไปอนนี้ังทุกขังอน้าตาเป็นกฎของธรรมชาติสภาวะธรรมที่จะเป็นไปเช่นนั้น โทษขังอริยสัจจังทุกขะสมุทยโยอริยสัจสโโรรสจังทุกขะนิโลโออริยสัจจังทุกขะนิโรทัคามิมีปฏิปทาอริยสัจจังโทษขังทุกขะสมุทยโยอริยสัจจังเป็นความจริงที่มันปรกากฏกานขึ้นแล้วทำให้เราเกิดทุกข์ใจ ตันหาความทะเยอทยานตามมตัญหาภวะตันหาทะเยอทยานไปไม่สมบังิคือ ท, ทุกทุกใจที่เกิดขึ้นคือทุกอริยสัจอันนี้เป็นความจริงที่จะต้องปรากฏแก่เราทุกลมหายใจในขณะใดที่สติปัญญาของเรายังอ่อนก็ต้องถูโดนทุกที่เกิดเพราะตามมตัญหาภวะตันหาวิภวะตันหาย่าดีอยู่ตลอดการ นี่คือความจริงที่เราประสบอยู่อันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันขณะใดที่เราสามารถฝึกอบรมจิตใจก็เราให้มีสติสัมปชัญญะกลายเป็นตัวปกติเด่นทัดอยู่ภายในจิตเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นรู้รู้แล้วรู้จักปล่อยวางมีสติสัมปชัญญะมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ในกฎแห่งธรรมชาติคืออนิจจงทุกขังอนัตตาปล่อยวางจิตเป็นกลางโดยปกติเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมสิ่งใดเกิดขึ้นดับไปภายในจิตจักแต่ว่ารับรู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปเพราะอาศัยความที่จิตมีสติสัมปชัญญะเข้มแข็ง สามสรารถปรงจิตให้มีพลังงานดำรงตัวเด่นอยู่โดยความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเมื่อเป็นเป็นนั้นนิโรธะธรรมชาติของจริงฝ่ายคุณธรรมที่เราปฏิบัติถึงย่อมปลากฏดเด่นชัดขึ้นมาเมื่อจิตเป็นปกติไม่ไววันไม่ไววันไวต่อกิเลสแต่อารมณ์ มีแต่ความปกติลู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเปรียบเหมือนน้ำในท้องทะเลหรือน้ำในขันในตุ่มที่ไม่กะเพื่อมมีแต่นิ่งปราศจ่าคลื่นฟอกแม่น้ำจะลึกแสนลึกแต่เราสามารถมองเห็นทุกจริงทุกอย่างในใต้ท้องทะเลหรือก้นตุ่มก้นขันได้อย่างถนัด แม้จะมองดูเงาหน้าของเราก็มองเห็นได้ชัดเจนเพราะน้ํามันนิ่งไม่กระเพื่อมเมื่อจิตของเราเป็นปกตินิ่งไม่กระเพื่อมรู้ตื่นเบิกบานอยู่เป็นปกติเราก็สามารถมองเห็นสภาพความจริงภายในจิตเหลียบเหมือนมองเห็นเงาหน้าของตัวเอง นอกจากจะมองเห็นเราหน้าของตัวเองแล้วยังมองเห็นท่องทางที่จะดำเนินชีวิตไปเพื่อปฏิบัติดำเนินชีวิตไปสู่แนวทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานหรือการพ้นทุกข์ซึ่งเรียกว่ามัรคปฏิปทาย่อมปรากฏเด็นชัดขึ้นนี่คือกฎธรรมชาติฝ่ายดี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 ในเมื่อศสียนใจบังเกิดขึ้นศสีนกายศสีลนวาจาก็คอยเป็นปกติไปด้วยโดยที่เราไม่ต้องตั้งเจตนาควบคุมและบังคับใดๆทั้งสิน้นเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่เราอบรมมาหรือการคว า, ามดีบุญกุศลที่เราทำมาแม้จะเรื่องของการให้ทานก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนส่งให้เกิดพลังสมาธิ เพราะทานเป็นบารมีส่วนหนึ่งศรลก็เป็นบารมีส่วนหนึ่งจะแยกกันไม่ออกบารมีทั้งหลายเหล่านั้นย่อมรวมพลังกันสามารถเป็นปุญญาพิสังขารลุงแต่งจิตใจของผู้กระพฤตปฏิบัติผู้ทมให้ดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องเพราะอาศัยศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัย การปฏิบัติธรรมนี้สำคัญอยู่ที่ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นักภาวนาที่ไม่ค่อยได้ผลหรือเจสงบลงไปแล้วไปนิ่งเซเตออยู่เฉยๆไม่มีน้ำมี น, มนวนเพราะศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าใครเจอปัญหาอย่างนี้ให้รีบจิจรณาศีลของตัวเอง หาหากเป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรตั้งแต่ปริมณฑลที่เราบัพพชาอุปสมบทมาถึงปัจจุบันนี้เราได้ละเมิดสิกขาบทวินัยข้อไหนและมีความตื้นลึกหนาบางและเบาหนักเทียงใดแค่ไหนและควรจะประเติดปฏิบัติเพื่อชำระโทษนั้นอย่างไรในเมื่อตรวจไม่พบความผิดของตัวเอง ก็ทำความภูมิใจว่าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ทางเมศีหลังบริสุทธิ์ทางเมศีหลังบริสุทธิ์ทางเมศีหลังอธิษฐานจิตว่าศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้วเพื่อยางปีติและความสุขให้เกิดที่จิตเพราะพลังแห่งศีลที่บริสุทธิ์นั้นถ้หาเป็นขเหัส ก็ให้ตรวจดูสีน5าสีแปหรือบางทีอาจจะสีสิบที่เราตั้งใจสมาทานตรวจดู ต, ตั้งแต่ปริมณฑลที่เราได้ตั้งใจสมาทานสีนหรือรับสีนปฏิบัติมาจนกระทั่งปัจจุบันเรามีความขาดตกบกพร่องและได้ละเมิดสิขาบทวินัยสีลข้อใดถ้าตรวจพบแล้วก็พึ่ง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 จะไปขอสมาทานกับท่านผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นพระเป็นเนนก็นแล้วแต่สะดวกแต่ก็ไม่จําเป็นอธิษฐานติดแล้วก็ตรวจดูว่าศีลเราบริรสุทธิ์สะอาดดีแล้วทําความภูมิใจทำใจให้เกิดมีปีติและควา ม, มสุขเมื่อศีลของเราบริรสุทธิ์สะอาดดีทั้งผู้ที่เป็นนักบวชทั้งที่เป็นพราหมณ์แม้เราปฏิบัติสมาธิภาวนาลงไป สมาธิก็เกิดขึ้นได้ง่ายสมาธิที่มีศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยจิตสงบลงไปแล้วมีปีติมีความสุขมีความเยือกเย็นเมตขาสมาธิเข้ามาแทกไม่ได้ แม้แต่จิตใจสงบสว่างลงไปแล้วมองเห็นภาพนิมิตต่างๆผู้ภาวัาเพราะอาศัยศีลเป็นหลักตร้างความปลอดภัยจะไม่เข้าประ จ, จิตในนิมิตนั้นโดยที่ไม่สำคัญว่านิมิตนั้นเป็นผู้วิเศษมาจากไหนที่จะมาช่วยตนบรรดาลจิตใจของเราให้ได้สมาธิได้ทานได้ญาณ เราจะมีความรู้สึกได้สติสัมปชัญญะว่าภายในจิตของเรามีแต่คุณนธรรมที่ทําคนให้เป็นพระพุทธเจา้าคือโรโลมีแต่คุณนธรรมที่ทําคนให้เป็นพระธรรมคือการทรงไว้ซึ่งความดีมีแต่คุณพระอริยสงฆ์ที่ทาคนให้เป็นผู้ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบ เป็นประสงค์คือสุปฏิปันโนทุปฏิปันโนยายปฏิปันโนสามีติปฏิปันโนเมื่อเป็นเจนนันวิถีติดของผู้ภาวนาก็มีความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสง์ก็ดีเป็นคุณะธรรมเป็นนามะธรรมไม่มีตัวไม่มีตน แต่หากเป็นคุ ณ, ณธรรมเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติสีลสมาธิปัญญาโดยถูกต้องเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะหายข้อข้องใจสงสัยในการปฏิบัติเมื่อเราทำสมาธิภาวนาจิตสงบลงไปเห็นนิมิตต่างๆเพราะสีลบริสุทธิ์เราจรึงไม่เข้าใจผิด ในนิมิตนั้นๆนแม้จะเป็นนิมิตโลกภาพผู้พิเศษตามที่เราเข้าใจหรือใครๆอาจทักจุงให้เราเข้าใจผิดเราจะไม่เข้าใจผิดจะเข้าใจว่าภาพนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์จิต เห็นในเมตโพ้ผีปีศาจเทวดาอินพรมจมยักษ์ทั้งหลายก็ดีเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเท่านั้นแม้แต่ความคิดว่าวิญญาณจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลผู้ภาวดามีศีลบริสุทธิ์แล้วจะนึกเพียงแค่ว่านี่คือมโนภาพที่จิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจะมีสติสัมปชัญญะรเท่าทัน ไม่หลงยึดในสิ่งนั้ น, น, นการภาวนาเห็นภาพนิมิตต่างๆในท่าสติสัมประชันญะไม่เพียงพอหรือรูอร้ไม่ทันอันตราย <S <S เมื่อเราไปเข้าใจผิดว่านิมิตนั้นๆภาพนั้นๆเป็นภาพท่านผู้พิเศษหรือเป็นผู้พิเศษทั้งหลายสเสด็จมาจะไ ม, ชะม่ช่วยสมาธิช่วยญาณของเรา ช่วยทานของเราให้ดีวิเศษยิ่งขึ้นแล้วเราเผอเป็นน้อมเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในจิตในใจของเราถ้าหากสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแล้วเราจะกลายเป็นคนโศกถ้าใครเคยเป็นเคยปฏิบัติอย่างนั้นลองสังเกตดูทีสิว่า ขณะจิตสงบลงไปสว่างมีปีติมีความสุขและมีความสงบแต่ยังบริกรรมภาวนากายยังปรากกดยู่แสงสว่างยังทอดออกไปข้างนอกมองเห็นภาพนิมิตต่างๆเพียงแต่เห็นรู้สึกตายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบ นอกจากนั้นยังมีปิติมีความสุขจิตหลอดลงเบิกบานอย่างเต็มที่จริงไหมสังเกตตัวให้ดีจิตสงบนิ่งสว่างมีปิติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งสบายไหมกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบ รู้เตือนเบิกบานปลอดโงดีหายใจก็ต้องบางทีรู้สึกว่าไม่หายใจแต่อยู่ได้ใจไม่ขาดแต่เมื่อมีภาพนิมิตขึ้นมาในอันดับต่อไปนั้นข้าจิตกำหนดรล้ภาพนิมิตอยู่เฉย ปลอดหลงสบายไหมยังปลอดหลงสบายจิตรู้ตื่นเบิกบานสบายมากเอาถ้าเธอไปนึกว่าภาดนิมิตนั้นจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็ตามล้ะสาวกก็ตามใครก็ตามตอนที่เราลูดูเห็นอยู่เฉยๆเขายังไม่ก้าวเข้ามาเยียบในหัวใจเรา หัวใจเรารู้สึกเบาสบายปลอดโปร่งเบิกบานมีปิติมีความสุขถ้าเราเนึกว่าออกอุปวิเศษจะมาช่วยจิตช่วยใจของเราให้ได้สมาธิให้ได้ฌานให้ได้ญาณอันวิเศษให้ได้ความรู้ความเห็นความเข้าใจจะมานำเราไปสู่พระนิพพานได้ง่าย พอเราน้อมเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาภาพนมิต ท, ที่มองเห็นอยู่ต่อหน้าจะเคลื่อนย้ายดำเนินเข้ามาเข้ามาประชิดตัวเราทำให้เรารู้สึกชาตามตัวพอหายชานิดหน่อยก็รู้สึกว่าจิตของเราเปลี่ยนสภาพไปทันทีรู้ตื่นเบิกบานปลอดลงในเบื้องต้น หายไปหมดมีแตใใ่ความอึดอัดความแน่นในจิตในใจความหนักหน่วงในร่างกายเข้ามาแทนที่ตอนน่อานเราไม่เป็นตัวของตัวแล้วจิตไม่ได้เป็นไปตามอํานาจของตัวเองแต่มีอํานาจสิ่งหนึ่งเข้ามาแทรกสิงคอยบีบบังคับให้เป็นไปเป็นไปได้วยความแสนยากลําบาก เป็นไปด้วยความหนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยอย่างเต็มที่ความรู้สึกในกายในใจหัวใจเหมือนกับถูกบีบร่างกายหนักหน่วงเปรียบเหมือนมีสิ่งมาทับให้หนัก ท, นนนที่เป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่ามีสิ่งมาประทับสรงที่กายที่ใจของเรา ยิางทำให้เราหมดสมัรชภาพที่จะเป็นตัวของตัวเองถ้าสิ่งนั้นเป็นโลกภาพเทวดาเข้ามาสิงสู่ในตัวของเราเราก็ไปรับเอาศาสนาเทพเจ้าเข้ามาแล้วธานิเมตีิมองเห็นเราสำคัญว่าเป็นพระพรหมเมื่อพระพรหมก็ามาอยู่ในตัวเราก็กลายเป็นศาสนาพระพรหม หากเป็นผู้ผีปีศาจหรืผู้ยิ่งใหญ่พยามารทั้งหลายเช่นอย่างมารมลังฟานพระโพธิจเจ้าเมื่อพระองค์จะตรัสรู้ถ้าเราลัดเอาสิ่งนั้นเข้ามาเราก็เอาศาสต์ศรามารมาไว้ที่หัวใจของเรานี่ตรงนี้ตรงเรื่องนิมิตนิมิตนี่ระวังระวังให้ดีถ้าเราเข้าใจผิดในนิมิตต่างๆที่เรามองเห็นนั้นแล้วไปยึ เอานิมิตเป็นสาระสำคัญเราจะกลายเป็นผู้เปลี่ยนศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาอื่นทันทีนี่คืออันตรายของนักปฏิบัติที่เราควรระมัดระวังอย่างยิ่งดังนั้นการภาวนาในหลักของสมถะและวิปัสสนานั้นเราจะยึดเอาอะไรเป็นสาระแก่นสาร เอาอัตติอัตนโนนาโธตนเป็นที่พึ่งของตนอัตโนโจโทยัตตานังเตือนตนด้วยตนเองอัตตีปะอัตสรรณามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งผูกภาวดาธรรมจิตให้สงบลงไปเป็นสมาธิ ต่างเดียวันคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเื่อสมาธิช่วงใดที่สมาธิเกิดขึ้นโดยลงพังหรือโดยสมัภาพของจิตซึ่งอาศัยอารมณ์สิ่งรู้แล้วปฏิสติและลึกอยู่กับสิ่ง้นั้น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 แหาเป็นสมาธิโดยที่จิตมีสมรรถภาพสร้างพลังตัวเองขึ้นมาให้เกิดความสงบเป็นสมาธิลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิโดยอิสระโดยไม่มีใครช่วยพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้พระธรรมก็ช่วยไม่ได้พระสงฆ์ก็ช่วยไม่ได้ หากใครนึกว่าพระพุทธเจ้ามาช่วยจิตให้เป็นสมาธิพระธรรมมาช่วยจิตให้เป็นสมาธิพระสงฆ์มาช่วยจิตให้เป็นสมาธิพระพุทธเจ้าช่วยจิตให้เกิดปัญญาพระธรรมช่วยจิตให้เกิดปัญญาพระสงฆ์ช่วยจิตให้เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าช่วยจิตให้ถึงนิพพานและธรรมช่วยจิตให้ถึงนิพพานพระสงฆ์ช่วยจิตให้ถึงนิพพานโดยมีผู้มารบันดาล ให้เราถึงพระนิพพานตามที่เราเข้าใจอันนั้นก็ยังเข้าใจจิตอขาขาตาโลจะถาทตาพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกพระองค์ยืนยันไว้แาบนี้อย่าไปหลงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะมาช่วยเราเราเนึกถึงพระพุทธเจ้าพุโทโอเราเอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นอารมณ์พุทธานุสติและเลิกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบทหนึ่งเท่านั้น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 แต่สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางครั้งจิตลอยเด่นอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงแม้จะมีสิ่งโลกรากรดอยู่แต่จิตก็ลอยเด่นอยู่ไม่เกอกไม่ติดสิ่งใดๆนั่นคือจิตที่เป็นอตาจีปะมีตนเป็นเกาะนั่นคือจิตที่เป็นอตาสารณามีตนเป็นที่ตื้ นั่นเป็นจิตที่เป็นอัตนาอัตโธนตนเป็นที่ซึ่งของตนเมื่อจิตขยับเกิดจะมีความคิดสติปัญญาขึ้นมาสติธรมหน้าที่รู้ทันทันทีโดยอัตโนมัติไม่เผลอหลงผิดไปว่าผู้วิเศษยิ่งใหญ่ทั้งหลายจะมาช่วยเรามีแต่เราเท่านั้นช่วยเองช่วยเราเอง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 แม้เช่นนั้นจิตก็จะไม่หลงไปในทางที่ผิดเพราะอะไรเพราะอาศัยพลังของศีลเป็นเครื่องคุ้มกันและเป็นหลักประกันความปลอดภัยดังนั้นพทธบริษัทท่างหลายผู้มุ่งหวังที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุคุ ณ, ณธรรมกันจริงๆศีลเป็นตัวสำคัญศีลเป็นต้นรมวจัน เพราะฉะนั้นควรที่จะบำรุงคนต้นธรรมจันทร์ตือศีล